ทีแรกเราต้องรู้จำรู้จำแล้วก็ต้องรู้จักรู้จักแล้วก็ต้องทำให้เห็นแจ้งรู้แจ้งรู้จริงดังนั้นรู้กับเห็นมันจะเป็นคนละเรื่องบางคนถามว่ารู้ความคิดเห็นควาคิดมันเห็นมันไม่ได้เห็นความคิดมันเห็นความคิดเห็นมันไม่ได้เห็นมันคิดเห็นอันเห็นนี่มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บให้เราเข้าใจว่าคิดเห็นกับเห็นนี่มันมันเป็นคำละคำกัน แต่มันเป็นการสมมุติพูดให้ฟังคาว่าคิดเห็นนี่คือคิดเห็นอันนั้นคิดเห็นอันนี้คิดเห็นในกอคิดเห็นในขอเส้นเมื่อเมื่อเมื่อกีวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่คนเดียวอตอ่มาด้วยกันห้าคนเป็นคนอินเดียเป็นคนแขกเนี่ยสามคนแล้วก็เป็นคนไทยสองคนผมถามเดีวนี้มีแฟนแล้วหรือยังมีแล้วเขาว่าอย่างนั้นคนไทยก็มีเหมือนกัน คนอินเดียก็มีเหมือนกันถามมีลูกกี่คนคนอินเดียคนแขกนั่นนาะมีลูกสองคนผู้สายทั้งหมดคนหนึ่งว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนแต่คนไทยนีม่มีมีผู้สายทั้งหมดแล้วแฟนไปที่ไหนแฟนไปซาอุไปทำงานที่เมองซาอุอยันไี่คิดถึงแฟนไม่คิดถึงคิดเห็นมากเขาไม่คิดเห็นนี่เขาวนะ่ยังแล้วคิดเห็นลูกไม่คิดเห็น อันนั้นมันคิดเห็นมันไม่ได้เห็นคมคิดคิดเห็นเขาคิดถึงเขาไม่คิดถึงคิดถึงเป็นทุกไหมเป็นทุกเนี่ยเมื่อคิดเห็นกับเห็นมันไม่เหมือนกันคิดเห็นนั่นมันปรุงเป็นเรื่องเป็นราวทาอย่างนั้นวันนั้นทําอย่างนี้วันนี้พูดอย่างนั้นมันคิดเห็นอันนั้นมันปรุงระหว่าสังขารปรุงแต่งเห็นความคิดนั้นคือพอดีมันนึกก็าจะเห็นหน้าแฟนมันเห็นปุ๊บความคิดมันหยุดอันนี้ระหว่าควสมุงบแบบนี้ เขามาถามอยากทำให้มันสงบไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านเขาว่าอย่างนั้นผมก็เลยพูดในีอันฟุ้งซ่านนห้มันดีแล้วเราต้องดูคมคิดให้มันเห็นคมคิดอยากให้มันรู้อยากให้มันคิดเห็นมันรู้มันคิดเห็นอันนั้นเป็นคมคิดของอวิชชาพระพุทธเจ้าธรรมฝนอวิชชาแปลว่าคมไม่รู้แต่มันรู้มันคิดเห็นมันไม่ได้เห็นคมคิดว่าอวิชชานั้นให้เข้าใจอย่างนั้น รู้ผิดปฏิบัติผิดเมื่อปฏิบัติผิดแล้วมันก็ได้ผวมทุกข์ความเดือดร้อนเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราปฏิบัติถูกต้องตรงดีมันก็ได้นรับผลอันที่ดีนั่นแหละดังนั้นที่ผมได้มาแนะนำ ว, วิธีปฏิบัติอย่างรักลั ด, ลดอย่างกระทันหันเอาไปใช้กับการกับงานไม่ใช่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนงก่อให้ดูผวมคิด ให้เห็นความคิดแล้วไปทำการทํางานตามพ่อบ้านแม่เรือนของเราอย่าไปทํำทุจริตผิดถึงผิดธรรมไม่ดีนี้เป็นครูโรงเรียนก็เหมือนกันเราก็ต้องดูความคิดเรากําลังสอนนักเรียนนักเรียนกําลังทําอะไรต่างๆเราต้องดูใจเราเห็นใจเราเห็นชีวิตเราแล้วก็พูดเขา อ, อย่างที่ไม่มีทุกข์เราก็ทําการทํางานสอนนักเรียนไปโดยไม่มีทุกข์เส้น ตำรวจก็เหมือนกันแล้วก็ดูหน้าที่ของเราดูจิตดูใจของเราเราทำการทำงานโดยไม่มีทุกข์เพราะเราดูจิตดูใจดูซีกของเราแต่การงานต้องทาไม่ทำไม่ได้เป็นทาหารก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจอย่างนี้คือเราสนใจที่อยากดับทุกข์วิ่งหาเงินหาทองต้องการซื้อเสียงยศหาบรรดาศักมันก็เดับทุกข์ไม่ได้ เพิ่มภูมคมทุกขึ้นมามากขึ้นทุกทีทุกทีแม้ที่สุดพระสงฆ์องค์เลงก็เหมือนกันอ้ากดบ่อยๆตามหน้าหนังสือทิมพฆ่ากันตายหรือพุ้นที่กันตายคมขืนกันอย่างนั้นอย่างนี้มีบ่อยๆเรื่องนี้ดังนั้นคนไทยถือศาสนาคุตให้มีคมสำนึกมีคมละอายไว้ในใจไม่ควรที่จะให้มีอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่ หรือบ้านเมืองของเดานยังเป็นอย่างนั้นอยู่มันก็เดือดร้อนมันก็ไม่สมกับที่ว่าพุทธศาสนาเป็นหัวใจเป็นแกนแท้เป็นใจกลางของคนไทยอ่ามันก็เลยจะไม่สมอย่างนั้นถ้าหาว่าเราทุกคนช่วยกันทำการทำงานตามหน้าที่ของเราแล้วการงานของเราก็ลุกล้าวหน้าลุล่วงไปได้คนอื่นมาเห็นก็เออเมืองไทยนี้เย็นดีสุขกายสบายใจดี เข้ามาแล้วไม่เดือดร้อนดูใครที่ไหนก็ยิมแย้มแจ่มใสพูดอะไรทำอะไรให้อภัยกันได้ยับยั้งสั่งใจได้คนไทยนี่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายมันก็เลยสงบไปควมสมรสงบไม่น้อยเราวก็ต้องสร้างเอาไว้ควมสมรสงบอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ต้องสร้างเอาไว้ที่สุดสร้างความสงบจนเรียกว่านิพานก็ได้ นิพพานนั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงจะเอานะไม่เหมือนกับคนอย่างที่พูดไปโดยไม่รู้สึกตัวเนะี่ยตัวย่าตายายท่านสอนเอาไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมึงกยอยู่ที่อกที่ใจเหล่านี้ไม่ใช่ตายแล้วจึงจะไปเมืองสวรรค์ไปเมืองนิพพานอยู่สันนั้นซันนี้ตรงกันข้ามเมื่อทําผิดไปแล้วตายไปแล้วจึงจะไปตกนรกใต้ดินอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อลกใต้ดินขจับชี้เขียไปสนใจมันเมื่อสวรรค์อยู่บนฟ้าท่านนิพพานอยู่บนฟ้าก็จะไปสนใจมันเรามาสนใจดับทุกข์ดับความโกรธความโลภความหลงในขณะนี้พระพุทธเจ้าหรือท่านพูทธลูกท่านสอนเอาไว้อดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าคำหนึ่งคํานว่งอนาคตที่ยังไม่มาถึงอย่าไปคำหนึ่งคํานว่เราต้องแก้ปัญหาปัจจุบันกําลังมีทุกข์อยู่นี้อย่าให้มันเกิดขึ้นมาทําการทํางานโดยไม่มีทุกข์ ท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์นี่เองเมื่อใ้เป็นสมบัติของสัตว์โดยสารสัตว์โดยสารน่ะมันเอาไม่ได้มนุษย์มันหน้าที่ที่จะเอาไปใส้กับการทํางานได้แต่คนเราไม่ก็เหมือนกันแต่หน้าตาเป็นคนแต่จิตใจมันเป็นสัตว์โดยสารก็ได้ที่มันทําผิดพูดผิดมันคิดอิสสาลิษยาทรยศ หักหน้าหักหลังคนนั้นคนนี้อันนั้นสิตใจเป็นสัตว์เดลสารคือมันไม่รู้จักอายในใจมันนั่นเองคือมันไม่เห็นใจนั่นเองขึ้นสามีภรรยาก็เหมือนกันนั่นแหละ้าผู้ใกล้ๆเนะี่ยเดี๋ยว ก, ตกย็ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้อันนั้นมันไม่มีความละอายในใจคือมันไม่เห็นจิตเห็นใจมันคิดเห็นอย่างนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะให้เป็นเทวดาก็ได้เป็นอินเป็นคนก็ได้ที่สุด ส้างให้ตัวเองเป็นพระอเดียเจ้าก็ได้